บทที่30รหัสกรรมจองเริ่สนุกกับการหาวิธีสร้างเครื่องพยากรณ์กรกรมมากขึ้นเรื่อยๆเขาคิดคิดและคิดอยู่เกือบตลอดเวลาทั้งแบบที่อยู่ในกรอบวิทยาการซึ่งมีคนกลุยทางไว้แล้วและทั้งแบบที่อยู่นอกกรอบจินตนาการของทุกคนในอดีตเขาตะลุยศึกษาวิธีถ่ายภาพจับคลื่นหลายมิติเพื่อหาความเหมือนและความต่างระหว่างการมีชีวิตธรรมดากับการประสบเคราะดีเคราะร้าย เขาคิดถึงการใช้ไบโอซิปเข้าไปหาความจริงทางชีววิทยาร่วมกับเครื่องกวาดภาพสมองเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับเจตนาชั่วดีต่างๆเขาพยายามหาความเป็นไปได้ที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์ลึกลับเช่นโหราศาสตร์การดูลายมือตลอดจนหง่เฮงเพื่อรวมเข้ากันเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจนํามาใช้พยากรณ์ชะตาชีวิตได้แม่นยําเนื้อศาสตร์ใดๆแต่ทุกแนวคิด ทุกวิธีทำลายกำแพงที่ปิดซ่อนความลับของธรรมชาติกำวิบากล้วนคลุมเครือดูเลื่อนลอยจับจุดตั้งต้นยากคะนปลายทางยากทั้งสิ้นและเหมือนยิ่งเชื่อกำวิบากมากขึ้นเท่าไรอจัจฉริยะหนุ่มก็ยิ่งเห็นความเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างเครื่องพยากรกรกำมากขึ้นเท่านั้นทว่านั่นแหละที่เข้ากันได้กับนิสัยแท้จริงของเขา เนือสิ่งอื่นใดคือชอบทำเรื่องเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ครั้งเมื่อพยายามเจาะทะลงระบบดาวเทียมและอินเทอร์เน็ตเขาเห็นตนเองเป็นเด็กทรงพลังผู้มีความห้าวหาญเกินมนุษย์กล้าคิดดำดิ่งลงไปแหวกไหวในห้วงมหาสมุทตใหญ่ด้วยมือเปล่าแต่สามารถทยานกลับขึ้นสู่ผิวน้ำเพราะมหาสมบัติแห่งเจ้าโลกเขาผ่านประตูแห่งความเป็นไปไม่ได้มาแล้ว และบัดนี้ก็กำลังเผชิญกับประตูแห่งความเป็นไปไม่ได้บานใหม่ยิ่งใหญ่ท้าทายศักยภาพสมองเหนือกว่าครั้งไหนหนจองเลิกตกลงใจเริ่มนับหนึ่งจริงจังที่รหัสพันธุ ก, กรรมด้วยความเชื่อเบื้องต้นว่าความลับเกี่ยวกับกรรมวิบากทั้งหลายซ่อนตัวอยู่ที่รหัสพันธุ ก, กรรมนี่เองเพราะมันเป็นตัวกาหนดว่ามนุษย์คนหนึ่งๆจะสูงต่าดาขาวอย่างไรหรือแม้กระทั่งมีลายมือเป็นอย่างไร และยิ่งเมื่อศึกษาลึกลงไปเกี่ยวกับวิธีถอดรหัสพันธุกรรมเขาก็ยิ่งพบหนทางที่ละไม้คล้ายคลึงกับวิธีถอดรหัสคอมพิวเตอร์เพื่อล้วงข้อมูลลับมากขึ้นทุกทีแน่นอนว่าถ้าจับงานถนัดคุ้นเคยก็อาจทำให้ก้าวแรกกลายเป็นก้าวที่หและพร้อมจะทะยานสู่ก้าวที่10โดยง่ายเย็นนั้นจองเิกลงจากแท็กซี่เพื่อซื้อของกินไปเก็บในตู้เย็น แล้วเดินเข้าหมู่บ้านโดยไม่พึ่งพามอเตอร์ไซค์รับจ้างเขาชอบเดินคิดเพราะสำหรับเขาความคิดนอกกรอบมันปรากฏในขณะเดินมากกว่าอิริยาบถอื่นเดินในอาการก้มหน้าก้มตาครุ่นคิดคลั่เครียดเขาพยายามเชื่อมโยงกฎแห่งกรรมเข้ากับเรื่องของรหัสพันธุ ก, กรรมและทางลัดที่สุดที่จะรู้เรื่องกฎแห่งกรรมอย่างทั่วถึงก็คือพ่อหมออุปการะ จึงตั้งใจชวนนชเลไปพบหมออุปการะด้วยกันในวันเสาร์พรุ่งนี้รถทั่วคันหนึ่งซึ่งดัดแปลงไว้สำหรับรับส่งนักเรียนคลานเออยออกจากซอยย่อยมาขวางทางเขาจองเลิกจึงต้องชะงักเท้าชั่วครู่เพื่อรอให้รถเลี้ยวผ่านไปก่อนแต่นึกไม่ถึงว่าจะเจอสิงตะกนแหลมเปรี้ยวเป็นของกำนานชิ้นใหญ่ไอ้ควายจองเิกสะดุ้งเงยหน้าขึ้นมองด้วยความงุนงง ทีแรกนึกว่าเป็นเด็กบนรถคงด่ากันเองแต่เผอิญปากหันมาทางเขาทว่าเมื่อปะเข้ากับในตาหาเรื่องของเด็กชายวัยประมาณ7จถึงแขวบยื่นออกมาจากหน้าต่างจับจ้องเขาพร้อมเสยะยิ้มสะใจจองรถก็ทราบว่าตนนั่นเองคือเป้าหม้ไม่มีใครอื่นเจ้าเด็กเวนนั่นประกาศศึกออย่างเปิดเผยไม่มีการหลบหน้าแม้เมื่อเขาจ้องตอบ แถมเชิดท้าด้วยความปั้นปึงคล้ายท้าว่าถ้าแน่จริงให้ตามมาเอาเรื่องอีกต่างหากขามวดคิ้วย่นด้วยความฉุนกึกปฏิกิริยาทางความคิดที่เกิดขึ้นทันทีนั้นคือสงสัยว่าเด็กไปเอาเยี่ยงเอาอย่างจากพ่อแม่มันมากระมังแต่ขณะเพ่งตาตามรถตู้ด้วยกระแสความกโกรธจู่ๆก็ร ะ, ะลึกขึ้นได้ว่าเมื่อครู่เขาอยู่ดีๆยังไม่โง่แม้ตอนโดนเด็กด่าเป็นวัวเป็นควายก็ยังไม่โง่ ตรงข้ามกําลังคิดเรื่องฉลาดฉลาดอยู่ด้วยซ้ําแต่พอเก็บคําว่าควายมาคิดและเป็นทุกข์ทางใจไม่เลิกทั้งที่คํานั้นแปลเป็นอากาศสัตวไปแล้วสาบสูญไปแล้วจับต้องไม่ได้อีกแล้วนั่นแหละเขาถึงเริ่มเป็นไอหน้าโง่ขึ้นมาจริงๆพูดง่ายๆเริ่มเป็นควายจริงตอนรับคํานั้นมาเก็บในหัวนี่เองอึดใจต่อมาเมื่อรถตู้ลับตาไปจองเลิกก็ถอนใจยาว ก้มหน้ามองพื้นโทสะมาลายลงอย่างรวดเร็วถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาคงโกรธหัวฟัดหัวเวียงยืดยาวแต่มาบัดนี้รู้จักธรรมะมากขึ้นกับทั้งสำนึกว่าตนกำลังตกอยู่ในห้วงแห่งเวลาชดใช้กรรมที่ไปแกล้งคนไว้เป็นล้านรูปการสเสวยผ ล, ลกรรมช่างลงตัวได้หลากหลายเสียจริงๆอยู่ดีๆก็เจอพวกชอบทำร้ายจิตใจโดยไม่ต้องมีเหตุผลแม้กระทั่งโดนเด็กเมื่อวานซืนด่า เป็นไอหน้าโง่เข้าให้อย่างนี้มันช่างเหมือนกับที่เขาเคยทํากับคนทั้งโลกเหลือเกินความจริงไม่จัดเป็นเรื่องแปลกนักที่คนเราด่ากันอย่างไร้เหตุผลเพราะวิธีคิดของมนุษย์ยุคนี้เริ่มเลวหลายไร้เหตุผลมากขึ้นทุกทีความก้าวร้าวที่ถูกปลูกฝังเข้าไปในเยาวชนผ่านสื่อภาพยนตร์และเกมคอมพิวเตอร์หารือโหดได้ก่อร่างสร้างอสูรเต็มตัวขึ้นโดยใช้เวลาเพียงสั้น และระบบการควบคุมต่อต้านพิษภัยเทือกนี้ก็อ่อนกำลังลงทุกทีเนื่องจากมีผลประโยชน์มหาศาลบีบคอหอยอยู่จองเริกบอกตัวเองซ้ำๆว่าเขาเป็นผู้โชคดีแล้วที่ทำกำหนักแล้วไปท้าทายให้วิบากปรากฏทันใจการเสเวยกรรมขณะที่ยังไม่ลืมต้นเหตุนับว่าช่วยให้เชื่อว่าวิบากมีจริงได้ง่ายชีวิตที่เหลือจะประมาทน้อยลงและมีความฝ่ายดีมากขึ้นเรื่อยๆ กับทั้งไม่ถูกสิ่งแวดล้อมกลืนกินวิ ญ, ญญาณเข้าไปในท้องหลุมดำเหมือนใครอื่นอีกหลายพันล้านเมื่อปลอบใจตัวเองซ้ำๆเช่นนั้นก็เกิดคำถามซ้ำๆติดตามมาเช่นกันคือน่าสงสัยว่าเมื่อใดเคราะหซ้ำกรรมซัดชนิดนี้จึงจะสิ้นสุดลงเสียทีพอเหตุการณ์เกิดขึ้นตอย้าแทบไม่เว้นวันก็บั่นทอนสุขภาพจิตได้เหลือหลายเข้าสานึกแล้วเข็ดแล้ว ก้มหน้าก้มตารับผลกรรมโดยดุสนีไม่มีความผูกใจเจ็บเอากับใครแล้วแถมคิดจะทำคุณไถ่โทษอย่างใหญ่หลวงแล้วทำไมจึงยังไม่หลุดพ้นจากบ่วงวิบากชั่วไปได้ได้แต่นึกนึกตามความรู้ที่รับมาคือระยะเวลาและความรุนแรงของการให้ผลกรรมเป็นอจินไตยบุคคลย่อมไม่อาจประมาณเอาเองด้วยความคิดหรือความปรารถนาใดๆว่า ควรจบลงเมื่อนั่นเมื่อนี่หรือควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้ด้วยวิธีการอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อจิตใจสงบลงบ้างจองเลิศก็เริ่มเห็นตามจริงประการหนึ่งคือแม้เขาสำนึกแล้วเข็ดแล้วตั้งใจทำคุณไถ่โทษแล้วแต่การลงมือทำคุณนั้นก็ยังไม่เกิดยังเป็นเพียงโครงการในอากาศอยู่ไม่มีผู้ใดได้สุขจากกรรมทางความคิดที่จะช่วยคนของเขา แตกต่างจากกรรมแกร้งคนซึ่งลงมือทำสำเร็จแล้วบังเกิดผลอย่างใหญ่หลวงในวงกว้างแล้วเกิดกระแสทุกท่วมท้นล้นโลกแล้วอันที่จริงเสวยวิบากบ่อยๆนี่ก็มีข้อดีเหมือนกันจะได้เป็นตัวเร่งให้เขาสร้างกรรมใหม่ถีบตัวหนีของเก่าซึ่งไม่อาจย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้แล้วนึกอโหสิให้เด็กอโหสิให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งในอดีตปัจจุบัน และที่จะตามมาในอนาคตผู้คนและเหตุการ์ทั้งหลายล้วนเป็นเครื่องมือของกฎแห่งกรรมช่วยกันเล่นงานเขาอย่างสาสมเท่านั้นพ่อปลอดโปร่งโร่งใจเพราะยอมคิดโอาหสิโดยปราศจากเงื่อนไขความคิดอีกะระอกหนึ่งก็ทยอยตามมาเห็นว่าผู้คนทั้งหลายย่อมผ่านภาวะความเป็นเด็กไม่รู้คิดเคยยื่นหน้าออกมานอกรถเคยเห็นผู้คนด้วยมุมมองเฉพาะตัวเฉพาะการ เฉพาะสถานที่เมื่อครู่เด็กคนนั้นเห็นเขาแล้วคิดแผลงแผลงอยู่ๆก็อยากตะโกนด่าโดยไม่เคยมีเรื่องแค้นเคืองกันมาก่อนนั่นเป็นเรื่องเข้าใจยากสำหรับเหยื่อผู้เคราะไรแต่แน่นอนย่อมเป็นเรื่องเข้าใจง่ายสำหรับตัวเด็กเองซึ่งกำลังเห็นการตะโกนด่าชาวบ้านเป็นเรื่องสนุกดูจากหน้าตาท่าทีย่าโสโอหังและทนงตนว่าคงไม่มีใครทาร้ายตนได้จองเลก ก็เดา ว, ว่าเขาไม่ใช่เหยื่อรายแรกและแน่นอนว่าเมื่อด่าเขาแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ยังจะต้องมีเหยื่อรายต่อไปเจอน้ำกรดจากปากน้อยน้อยนั่นอีกน่าเป็นห่วงอนาคตของเด็กเหมือนกันว่าในที่สุดจะต้องลงเอยอย่างไรเร็วเร็วนี้เขาเคยนึกสงสัยว่าคนเราทำกรรมดีชั่วได้ตั้งแต่ไวไัยใดบัดนี้เกิดปัญญากระจ่างขึ้นจากเหตุการณ์จริงสดสดร้อนๆ้อน ว่าแม้เป็นเด็กตัวกระเปียยแต่ถ้ารู้ภาษาขึ้นมาเมื่อใดเมื่อนั้นก็ก่อวจีกรรมได้อย่างสมบูรณ์ดุจเดียวกับผู้ใหญ่ทุกประการวัยเด็กจึงเป็นวัยที่เสี่ยงกว่าวัยอื่นเพราะแม้รู้ภาษาแล้วก็อาจจะยังไม่รู้เหตุรู้ผลไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีอาจก่อกรรมทำบาปด้วยใจหนักแน่นได้ทุกเมื่อในหนังสือเลือกเกิดใหม่ ที่นัชเลให้มาก็ระบุไว้ว่าอดีตชาติของพระพุทธเจ้านั้นเคยพลาดพรั้งทําอกุศลกรรมหนักไว้คือครั้งหนึ่งท่านเกิดเป็นเด็กที่เล่นอยู่กลางทางใหญ่แล้วได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์เองก็นึกสนุกประสาเด็กจุดไฟดักไว้ทั่วเพียงด้วยกรรมนั้นแม้ชาติสุดท้ายก็ยังต้องเสวยวิบากโดยที่พระเทวทัต ใช้นายขมังธนูมาดักลอบปรงพระชนฉะนั้นกรรมก็คือกรรมจะทำเมื่ อ, อยังเป็นเด็กหรือเมื่อโตขึ้นแล้วก็ย่อมมีผลรออยู่เสมอแถมไม่อาจคเนด้วยว่ากรรมแต่ละอย่างใหญ่โตเพียงใดให้ผลยืดเยื้อได้เนิ่นนานปานไหนสรรพชีวิตต่างท่องเที่ยวเกิดตายไปด้วยความไม่รู้อีโนอีเนเขานึกถึงเด็กน้อยเมื่อครู่แล้วหนาหัวใจแทน เพราะสำเนียกได้ถึงความหนักแน่นของการคิดด่ากราดอย่างไม่ประสีระษาว่าโตขึ้นจะต้องได้รับความเดือดร้อนประมาณใดคิดในแง่ของความไม่ประสีระษาเรื่องกรรมวิบากก็ต้องว่ามนุษย์โดยมากไม่เคยโตขึ้นจากความเป็นเด็กเลยด้วยซ้ำบางทีเขาอาจเคยเป็นควายจริงๆธรรมชาติเลยส่งเด็กมาด่าสำทับให้สำนึกซ้ำยิ่งเห็นภัยของความไม่รู้ จองเริกก็ยิ่งเร่งหาทางสร้างเครื่องพยากรกรก ร, รมให้สําเร็จเร็วขึ้นด้วยความคิดว่าถ้าเขาไม่ทําก็จะไม่มีใครทําเพราะนักประดิษฐ์แม้ปราดเปรื่องเพียงใดก็คงไม่มีแก่ใจทุ่มเทมาทางนี้หรือถึงมีแก่ใจก็คงไม่มีใครให้ทุนเป็นพันล้านเพื่อโครงการพัฒนาอันยากจะคเนผลตอบแทนตัวตนและความเป็นเขาวันนี้จึงนับเป็นโอกาสอันหาได้ยากยิ่ง เป็นเรื่องน่างหงุดหงิดอย่างบอกไม่ถูกยิ่งวันพฤหัสก็ยิ่งคิดถึงน้ำเลรุนแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะคิดถึงรุนแรงเพียงใดยังพอทำเนาแต่ดันทะลึ่งพลาดพรั้งละเมอเรียกซรายออกมาดังๆขณะนอนเคียงข้างเอเวรานี่สิเรื่องใหญ่นั่นเป็นการผวาตื่นขึ้นกลางดึกของคืนหนึ่งที่วานอนค้างกับหล่อนในฝันเหมือนเขานอนอยู่ตรงนั้นแล้วเห็นเงาร่างของนชเลเยื่อแกรายเข้ามาใกล้ ก็ตกใจรุนแรงออกมาจากในฝันเพราะกลัวมานานว่าในที่สุดนัชเลจะร่วงรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับอเวราและนั่นก็ทำให้พลังปราขานชื่อซายออกไปท่ามกลางความเงียบของดึกสงัดถอนใจแรงๆเหลียวมองร่างหญิงสาวข้างกายเห็นยังนอนนิ่งอยู่ก็คลายอาการเกรงลงเข้าใจว่าอเวราคงหลับไม่รู้คุดคูไม่เห็นไม่ได้ยินเขาละเมอปูดอะไรออกมา แต่พอรุ่งเช้าขึ้นมาระหว่างนั่งกินแซนด์วิชด้วยกันที่โต๊ะเล็กอยู่ดีๆคู่นอนคนสวยของเขาก็ถามว่าคนชื่อซายนี่สวยมากไหมเพื่อหัดสะดุ้งเฮือกสอกระแทกโต๊ะเปรี้ยงกำลังเคี้ยวๆถึงกับขบฟันพลาดลงไปที่ริมฝีปากจนต้องร้องลั่นอุ้ยแย่เคี้ยวยิงฟันแงแต่พอเห็นเอเวลามองมานิ่งๆก็ตีหน้าตายถามซายไหนแล้วก็ขยายอย่างไหลลื่น ผมรู้จักคนชื่อซายอยู่ตั้งสองสาคนเนี่ยเอาเป็นซรายในฝันเมื่อคือนน่ะเด็กหนุ่มแส่งขมวดคิ้วชะโงนเอเอาเวลาสายหน้าเล็กน้อยและยิ้มให้อย่างมีมัตรีเชื่อเถอะพี่ไม่คิดจะวีดใส่เธอเพราะเตรียมใจไว้แต่ต้นแล้วว่าเธอคงต้องมีคนอื่นแล้วพี่ก็อายเกินกว่าจะคิดอารวาสเอากับแฟนที่อ่อนกว่าตั้ง7ปีเพราะงั้นเล่าสู่กันฟังอย่างธรรมดาก็ได้ สัญญาว่าจะไม่หึงหวงให้เห็นสักนิดเดียวแม้หล่อนพูดนิ่มๆแต่เพื่อหัสก็รู้สึกว่าถูกจี้แบบจะล่วงตับไตให้ได้อยู่ดีจึงชักฉุนอา้าวถ้าไม่หึงหวงและจะซักผมไปทำไมกันก็ให้เป็นแค่เรื่องเล่ายามเช้าแต่ถ้าเธอไม่เต็มใจก็ไม่เป็นไรช่างเถอะแล้วหญิงสาวก็ก้มหน้าก้มตากัดแซนวิช ต, ต่อโดยไม่ซักถามใดๆอีกแทนที่เพื่อหัสจะสบายใจเขากลับร้อนตัวกลัวความแตก เท่าที่เห็นด้วยตาเปล่าท่าทางอเวรายังเฉยๆอย่างนี้คงยังไม่รู้ว่าซายในฝันของเขาเป็นซายเดียวกับหลานสาวของหลอนแบบจุดใต้ตำตอเพราะถ้าระแค้ระขายบ้างป่านนี้คงวีดบุ้มห้องแตกไปแล้วกระเดือกน้ำลายลงคออย่างไม่เป็นสุขเรื่องมันโจรตัวขึ้นมาทุกทีสังหอนว่าถ้าปล่อยปะละเลยไปเรื่อยๆภายในไม่กี่วันนี้เรื่องคงแดงออกมา เพราะเหตุบังเอิญอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่แท้ตอนนี้เขาไม่รู้สึกอะไรกับอเวราเลยเห็นอย่างเดียวว่าหลอนอาจเป็นคนที่ทำให้รักแท้ระหว่างเขากับนาชาเลล่มสลายลงก่อนจะทันได้เริ่มต้นหากหนัาชาเลรู้ว่านาสาวคนสนิทเป็นคู่นอนของเขาก็คงกระอักกระอ่วนเกินกว่าจะยอมรับการเริ่มสัมพันธ์ธนายตรีอเวราคงเปิดโปงทุกสิ่งฟูมฝ่ายพราเพอต่างๆนานา ซึ่งเมื่อนชเลฟังความข้างเดียวก็คงเห็นเขาเป็นคนใจดําหน้าดูสิ่งที่จริงไม่ใช่เช่นนั้นสักนิดและแล้วชีวิตที่เหลือของเขาจะขาดความสมบูรณ์แบบไปอย่างสิ้นเชิงเพราะจะไม่มีวันได้ผู้หญิงแสนดีอย่างนชเลมาครองตลอดกาลนี่เขาจะต้องรีบตัดสินใจให้เด็ดขาดเสียทีกระมังทั้งที่ใจจริงไม่อยากทําเลยรสรินรับฟังความก้าวหน้าประการต่างๆ ของจองเลิกจากปากนชเลทุกวันและยิ่งนานหล่อนก็จําต้องเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆว่าลูกสาวเกณฑ์คนถูกจองเลิกกลายเป็นคนดีได้จริงๆและไม่ใช่แค่ดีธรรมดาเสียด้วยแต่ดีชนิดที่อาจเป็นคุณใหญ่อย่างไม่มีใครคาดถึงหล่อนไม่รู้สึกเสียหน้ามากนะักที่จะต้องกลับลําหันมาชื่นชมใครคนหนึ่งซึ่งตนเคยสั่งลูกสาวให้เลิกคบณนะเวลาที่จองเลิกยังประพฤติตัวเป็นโจร จะให้หล่อนอนุญาตลูกคบหาเขาโดยไม่คัดค้านอย่างไรได้แต่เมื่อส่อส่องพฤติกรรมทั้งที่เห็นด้วยตาตนเองและทั้งที่ฟังจากปากลูกสาวเล่ามาโดยตลอดดูความจริงใจดูพัฒนาการและดูศักยาภาพอันสูงเยี่ยมของจองเลิกที่ฉายชัดออกมามากขึ้นเรื่อยๆอคติของหล่อนก็จางลงความปลื้มเออขึ้นมาแทนนี่เป็นเรื่องของการยอมใช้เวลาทาความรู้จัก และให้โอกาสคนกลับตัวหาใช่การกลับลำเปลี่ยนใจเพราะเห็นแก่เงินหรือเหตุผลอื่นใดไม่ก <9 S 1> <5 S 2> ล่าวฝ่ายน้เลเด็กสาวเพิ่งได้รับประสบการณ์สดสดร้อนๆอนคือเมื่อไม่เห็นดีเห็นงามกับการที่พี่สาวคบหาหนุ่มท่าทางอันตรายาทักท้วงอย่างไรไม่ฟังก็เริ่มเข้าใจความรู้สึกของแม่ที่ห่วงใยหลอนมากขึ้นและนั่นทาให คงเส้นคงวากับการเล่าความคืบหน้าระหว่างหล่อนกับแฟนหนุ่มให้แม่ฟังอย่างละเอียดบางทีการเล่าความจริงก็กลายเป็นเรื่องเหลือเชื่อไปได้เช่นที่ว่าตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งบัดนี้เขาแตะเนื้อต้องตัวหล่อนโดยใช้ปลายนิ้วสัมผัสริมฝีปากหนงเดียวเท่านั้นเมื่อแต่งตัวและบอกแม่ว่ากำลังจะไปหาหมอดูอุปการะโดยจองเิกตั้งใจไปขอความรู้เกี่ยวกับกรรมวิบากในแง่มุมต่างๆ เพื่อ น, นำมาเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเครื่องพยากรณ์กรรมแม่ก็ถามเสียงปกติไม่เจอกระแสกังวลห่วงให่และไม่แฝงคำพูดคาดคั้นใดๆแม้แต่คำเดียวเสร็จจากดูหมอแล้วจะไปไหนต่อไม่ได้ไปดูหมอไปขอความรู้จากผู้รู้ต่างหากล่ะคะนั่นแหละไปศึกษาหาความรู้แล้วจะไปกันที่ไหน <c oughs> ก็ซายอยากไปเที่ยวสนสนุกมั่งแม่ไม่ว่าใช่ไหมรถสรินพยักหน้าง่ายดายเกินคาด อย่าเล่นเครื่องเล่นที่มันผาด ผ, ผลมากนักละ่ะเสี่ยงตายโดยใช่เหตุงั้นทายจะพยายามเลือกที่ไม่หวาดเสียวเกินไปนะคะความจริงได้ยินว่าเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกนี่โอกาสตายน้อยกว่าเดินข้ามถนนเสียอีกพูดอย่างเอาใจและไม่อยากให้แม่เป็นห่วงมากกว่าเถียงค้านยังไงก็กลับมาทานข้าวเย็นที่บ้านนะข้าแม่แมหมนูกับเลิกก็ไม่เคยทานข้าวเย็นที่อื่นสักหน่อยแม่เริ่มไว้ใจเขาแล้วละ่ะ รสรินเอ่ยเรียบๆหนูอยากกินข้าวเย็นกับเ้านอกบ้านบ้างก็ได้อีกหน่อยพอเรียนมหาวิทยาลัยยังไงก็คงต้องกลับข้ามมืดบ้างที่ชวนให้ทานข้าวเย็นด้วยกันวันนี้เพราะแม่แค่อยากสัมภาษณ์เขาว่าได้คำตอบอะไรจากหมออุปการะของหนูมาบ้างเท่านั้นจองเลิกโทรศัพท์เรียกแท็กซี่มารับตนที่บ้านแล้วเลยเข้าไปรับนัชเลออีกต่อจากนั้นก็บอกจุดหมายปลายทางแกคนขับ พอบอกเสร็จก็นั่งปิดปากเงียบหลงลืมแม้กระทั่งทักทายนชเลยสักคำน้เลยมองแฟนหนุ่มด้วยความรู้สึกผิดสังเกตปกติเมื่อพบหล่อนเขาจะหน้าบานยิ้มแฉ่งเหมือนคนถูกลอตเตอรี่เสมอและจะชวนหล่อนคุยนู่นคุยนี่ไม่หยุดจนบางทีน่ารำคาญแต่วันนี้มาแปลกเขาปั้นหน้าขรึมมองออกนอกรถมีท่าทีคล้ายอึดอัดใจกับปัญหาบางอย่างตัดขาดจากโลกภายนอก สร้างแดนสนธยาขึ้นมาไม่รับรู้กระทั่งว่ามีหล่อนอยู่ข้างๆเอาเลยเลิกนัชเลส่งเสียงเรียกเบาๆหืมจองเลิกครางรับเพียงแผ่วแต่ไม่ได้เหลียวมาหาสายตายังคงอยู่กับข้างทางตามเดิมจนนัชเลชักน้อยใจเลยกอดอกหันหน้าออกทางด้านข้างของตนบ้างพอแฟนสาวขานชื่อเขาแล้วเงียบไปเฉยเด็กหนุ่มก็เริ่มรู้สึกตัวจึงเลิกคิ้วหันมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น พอเห็นนาชาเลนั่งนิ่งเครึมเหมือนขุนใจอยู่ก็ถามงงๆซรายเรียกเราทําไมเหรอคนงามข้างกายยังคงเงียบอีกครู่ก่อนปริปากช่างเถอะเลิกกาลังอยู่ในโลกส่วนตัวทายไม่อยากรบกวนหรอกจองเลิกยิ้มกว้างความรักทําให้เขาไม่ใช่คนประสาทช้าเรื่องผู้หญิงอีกต่อไปเพียงเห็นกริยา ง, งอนๆ น, นั้นก็รู้ทันทีว่าหล่อนเครืองที่เขาเอาแต่นั่งเป็นใบไม่เอาใจใส่หล่อนอย่างเคย นัชเลงอนน่ารักขอสัมผัสรู้สึกว่าหล่อนมีสติและพร้อมจะมีเหตุผลอยู่ตลอดเวลาขอเพียงแค่เขางอ น, นิดเดียวหล่อนก็กลับมาหัวเราะและคุยต่อเป็นปกติได้ที่ผ่านมาไม่เคยกระบึงกระบอลเกินงามแม้แต่ครั้งเดียวเรากำลังกลุ่มใจเพราะสายนั่นแหละเด็กสาวหันมาสบตาทันทีกลุ่มอะไรไม่มีอะไรหรอกเราแค่เกิดความกลัวยังไม่เคยเป็นมาก่อนนัชเลขยับตัวด้วยความห่วงใยกลัวอะไร แค่เห็นแววอาทอนจากหล่อนจองเร์ก็ตื่นตานไปถึงไหนไหนเรากลัวจะทําให้ไซน์ประทับใจไม่สําเร็จนนะฟังเท่านั้นนัชเลก็คลายกังวลเพราะดา ว, ว่าคงเกี่ยวกับการสร้างเครื่องพยากรณกรรมนั่นเองหาใช่เรื่องคอขาดบาดตายที่ไหนเขาคงพบเขาความยุ่งยากมากขึ้นทุกทีแต่หล่อนก็ทราบว่าจะพูดอย่างไรให้เขาเกิดกําลังใจตามความคิดของไซน์หนะ หน้าที่ของนักประดิษฐ์ที่ดีคือฝันถึงสิ่งที่ยังไม่มีแต่น่าจะมีแล้วทำให้มันมีขึ้นมาจริงๆเว้นวรรคเล็กน้อยเพื่อยิ้มหวานเริกใช้เวลาแค่ไม่กี่วันก็เป็นนักประดิษฐ์ที่ดีมาได้ตั้งครึ่งทางแล้วนั่นคือเธอฝันถึงสิ่งที่น่าจะมีที่สุดในโลกได้ก่อนใครจองเลิกหันมองน้ทะเลเต็มตาถ้าเราทำสำเร็จก็ขอให้รู้เถอว่าทายมีส่วนอยู่ด้วยเกินครึง่งโอเค บอกไว้ในสิทธิบัตรทางปัญญาด้วยนะว่าขอขอบคุณที่ซายช่วย ช, วยชงโอวันตินให้กินเด็กหนุ่มหัวเราะรู้สึกว่าก้อนเครียดในหัวละลายลงหมดสิน้นชงแต่โอวันตินมั่งน้ำส้มมั่งไม่เห็นเคยทำกับข้าวให้ทานเลยก็บอกแล้วไงว่าเรื่องครัวนี่ไม่เก่งแต่ถ้าเธอต้องการจริงๆซายจะลองหัดจองเริกพยักหน้าอย่างแข็งแรงแสดงว่าปรารถนาอยู่จริงๆหัดเถอะเราจะถูมือรอนชเปรปลายตาเล่ ข้านิยมผู้ชายโบราณหรือเปล่าพอผู้หญิงทำครัวเป็นก็เห็นเหมือนค่าทาตอีกหน่อยมีอะไรก็ใช้เราหมดอย่าหวันไปเลยเราจะเป็นคนสวนเป็นช่างประปาเป็นคนขับรถเป็นรอปพแล้วก็เป็นคนออกค่าน้ําค่าไฟในบ้านให้ซรายเองขอแค่ซรายทํากับข้าวเป็นอย่างเดียวพอนชเลเชิดคางหน่อยหน่อยเอ๊ะใครบอกว่าอีกหน่อยจะต้องอยู่บ้านเดียวกัน หมายความว่าถ้าอยากให้ทรายทำครัวเลิกก็ต้องมาเรียนทำครัวพร้อมกับทรไม่ใช่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำคนเดียวที่คอมพิวเตอร์ทรายยังขอเรียนจากเลิกเผื่อวันหนึ่งจะช่วยเลิกทำงานประเภทจับกลางข้อมูลได้บ้างเด็กหนุ่มยิ้มขำคำว่าจับกลางข้อมูลของแฟนสาวหล่อนเห็นจากประสบการณ์จริงที่บางทีโปรแกรมเมอร์ต้องออกแรงทำเรื่องซ้ำซากหน้าเน็ดนายมากกว่าจะใช้สมองคิด และหล่อนก็เปิดทางว่ายินดีรับทำงานดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือเขาจงเริกแกล้งอิดเอื้อนต้องเรียนทําครัวกับซายด้วยเรอให้เราเอาเวลาไปคิดสร้างเครื่องพยาก ร, กรกรรมเต็มที่ดีกว่ามั้งท่าทางต้องทำงานหนักทั้งวันทั้งคืนหลายสิบปีเชวนะงานจุ๊บจุ๊จิกๆนี่ใหทซายคอยดูแลเราดีกว่าโหยนั่นไงนึกแล้วเริ่มฉายแววแล้วเนี่ยอีกหน่อยก็อ้างว่า หน้าที่ทำงานเป็นของผู้ชายฝ่ายผู้หญิงต้องดูแลบ้านไปนัชเลจงใจแกล้งตกหลุมพรางของเขารู้ว่าเขาฝันถึงอนาคตร่วมกับหล่อนและจะมีความสุขมากมีกําลังใจมากหากเห็นหล่อนเออ อ, อคล้อยตามจินตนาการเดียวกันร่วมกับเขาจองเลิกยัคิ้วยิ้มพรายเพราะว่าเราออกจะฉายแววเป็นเบี้ยล่างสายทุกอย่างที่ไหนจะกล้าให้ทําคนเดียว คนถูกยกให้เป็นเบีย้ยบนยืดตัวตรงพอเห็นว่าตนช่วยแฟนหนุ่มระบายภาพฝันพอหอมปากหอมคอแล้วก็สมควรเปลี่ยนเรื่องพูดว่าแต่เลิกคิดค้นเครื่องพยากรกรรมคืบหน้าไปถึงไหนแล้วไม่เห็นเล่าให้ทายฟังมั่งสีน้าของจองเริกเคร่งขึ้นนิดหนึ่งเราตกลงใจจะออกเดินก้าวแรกจากรหัสพันธุ ก, กรรมนชเลเบิกตานิดหนึ่งเขาตอบเพียงสั้น แต่หล่อนรู้ว่าจะต้องมีคำอธิบายและเหตุผลของการเลือกที่ลึกซึ้งพอแปลว่าเธอต้องเรียนปริญญาตรีเทคโนโลยีชีวภาพนะสิอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราใจร้อนแค่ไหนถ้าเราเรียนก็คงด้วยเหตุผลเพื่อทำวิทยานิพนธ์หาความสัมพันธ์ระหว่างรหัสพันธุ ก, กรรมกับอดีตกรรมก่อนเกิดงานวิจัยจะได้เป็นที่รู้จักในหมู่นักวิทยาศาสตร์ง่ายหน่อยแต่คิดอีกที เงินที่เรามีน่าจะเพียงพอกับการโปรโมตงานวิจัยให้ใครๆรู้จักอยู่แล้วแต่เธอก็ต้องอาศัยวิชาพื้นฐานหนุ่มไฟแรงสายหน้าก่อนแฟนสาวพูดจบเราอ่านเองได้และถ้าเลือกอ่านเองไม่เสียเวลากระดืบกระดึบตามหลักสูตรก็จะได้ตัดตรงไปหาเป้าหมายเร็วๆเราไม่อยากเสียเวลาแม้แต่นาทีเดียวอะไรจะรีบร้อนปานนั้นจองเลือกไม่ปิดบังสีหน้าวิตกกังวล เรากลัวจะทำไม่ทันนาทรายเพียงแค่ศึกษาและเห็นแนวทางคร่าวๆ ว, ว่าต้องทำอะไรบ้างพอคำนวณเวลาแล้วก็เหมือนอายุไขของมนุษย์คนหนึ่งน้อยเกินไปและหากใครเป็นคนเริ่มแล้วไม่สารต่อให้จบก็ไม่แน่ว่ามีรุ่นหลังศรัทธาพอจะทุ่มเทชีวิตจิตใจสืบทอดมรดกงานวิจัยชิ้นนี้หรือเปล่าเพราะทุกอย่างต้องเริ่มต้นด้วยการสมมติสมมติและสมมติยากจะเชื่อว่า ในที่สุดต้องได้ผลสำเร็จแค่ไหนถึงเรียกว่าสำเร็จละ่ะก็เมื่อเราทำนายได้ตั้งแต่ก่อนเด็กเกิดว่าเขาจะเป็นหญิงหรือชายรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรจะยากดีมีจนหรือพบเจอเหตุการณ์ดีร้ายได้แค่ไหนและต้องแม่นยำได้มากกว่าหมอดูที่เก่งที่สุดในโลกด้วย